ฝนตกนะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับวิชากรรมาฐานฝนตกแด้ออกจะเป็นกลองเคืองกลองลดรดจนไหนปีได้บันไดไม่เขียวการฝึกสติ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 ก็ลอยมีดฉีดบนน้าไม่เป็นผู้โศกไม่เป็นผู้ทุกข์นั่นแหละมันลบไม่ายง่ายถ้ามีบาปมีกรรมก็ลบไม่ชิ้นกรรมก็ชินตรงนี้ไม่ใช่ชินกรรมคือตายไปไม่ใช่แบบนั้นชินกรรมทุนกรรมคือมรรคผลนิทานคือตายไม่ใช่แบบนั้น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 เขมคืออย่างนี้คือเห็นถ้าหย่อนอย่อนคือเป็นเป็นสุขมันทุขเป็นทุขเป็นทุกข์เป็นทุกข์หย่อนเป็นกรรมมัชิขันธ์กาญโยกทุกข์เป็นทุกข์้อโกรธเป็นโกรธใจเฉือยใจเป็นเป็นเป็นกรรมมัชฌขันธ์กาญจยกไม่มีโอกาสบรุธรรม ย่อน ไ, <c oughs> น, นไม่ใช่โลกแบบนอกไม่ใช่โลกแบบเพรเป็นเกนกันกรรมฐานเช่นคือหลักคือเห็นไม่เป็นเชืม่มมันเห็นมันมีทุกโอกาสก็เห็นทุ ก, กาไม่เป็นทุกโอกาสเรียว่าเชื่อมกรรมฐานเช่ม เรื่องอย่างนี้อะไรอยู่ที่ไหนอยู่ที่การกระทำกรรมฐานคือกรรมในการทำแบบนี้ไม่ใช่รูปแบบยุกหนของงอสมารหังสติปัฏฐานานาปานาสติกอันนั่นเป็นเคนเป็นสมมุติบัญญ <c oughs> <c oughs> ัติเหมือนกับการใชรคมานต่างๆ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 เหมือนลบลอยลอยกรรมเราก็มีรอยกันทั้งนั่นแ่ะมาซ่อมมันลดมือสองโซบมีรอยแห่งความสุขมีรอยแห่งความทุกข์ไอ้อยแห่งความรักความชังไอ้อยแห่งความ <c oughs> ได้เรียบเสียเคย่าน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 เข้าได้เร็วเข้าไทัห้หมอเชากว่านี้ไม่ได้ลงเรือไปก็พาวิ่งไปเกาะตะรุเตาพนะอเรือถึงเกาะขึ้นจอดฝังจอดท่าเรือได้พอสงซับไหม่เรายังไม่ได้ลงเรือหมดเลยน่าเขาบอกว่าผมก็ว่าเช่ากว่านี้ ไ, ได้ เขาต้องมาเยี่ยงลูกพราะเขาชำนาญในการเดินทางประจำคานวณลึกคำนวณรหัสในชีวิตของเขามันก็มีรหัสระชื่อของเราด้วยเช่นคนเพา้าซักสมบัติเฝ้า บ, บ้านเขาชำนาญในบ้านเดือนเขา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 แล้วก็มีอย่างนี้อยู่แน่จริงๆอ่าหรือว่าเราด้านไปเรื่องนี่บ้างเราเลยอแล้วมันหลงก็หลงแล้วฉกก็ฉกมันด้านแล้วเลย อ, อาจจะด้านนะเพราะไม่เคย ร, รู้นะมาหาัดรู้ของกระถางกัอยู่ได้เราเคยด้า น, รานเรื่นี่หมามันกันหลงอยู่ได้ทุกอยู่ได้โกจยูได้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 ให้ชีวิตเพื่อทำงานแบบนี้เจอเดือน้อยแล้วเจอนุอย่ยเต็มทีแล้วแล้วก็จะากจะบอกแบบนี้แล้วก็มันเรื่องอะไรด้กเนี่ยเรื่องของเราทุกคนไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับใครเช่ไหนเกี่ยวเป็นเรื่องของเราแท้ๆนะ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 แต่ว่ายังไงอะไรเล่าที่มั น, ปนไปเสิรแต่กัว่เรื่องนี้กันไปหลงไปเล่นไปโมเมาที่ใด้ราไ ม, ไม่ได้มาศึกษาเรื่องนี้ที่มันเป็นอาเดชพัยในของเราแท้ๆในความเย็นธรไมยังร้ออยู่ในความโบธรไมยังมากันหนักอยู่ น่าจะเอามันใช่มันให้มันถึงจุดหมายปลายทางสักชีวิตเราเนหนาจะคุ้ค่ายากเหลือเกินที่เกิดมาได้่ย้วันเกิดของเราเนี่ยมีคนสองคนเฉียงเชียงตายมีแม่มีลูกอยู่เในขันเฉียงกันทั้งสองคนต้องทะลุทะลองกันอย่างหนา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 มันจะไม่ประเสิดยังไงมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแบบเนี้ยแล้วใช่เกิดมาเอาตายไปกป่อวอกคอยลองผองห้อให้ึงอะไรอาวรนถึงกันอันน้นมนไม่มีประโยชน์ <c oughs> แล้วใช้ชีวิตที่ให้มาคุ้มค่าอย่างเนี้ยชีวิตของเรก็เหลือน้อยก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 ให้มันมีแต่สติมีแต่ปัญญาเรียบไปเลยแทนไม่มีคลื่นแผนเดี๋ยเรียบไปเลยน ะ, ะถ้าจไม่มีรอยอะไรแล้วเ้นเวงขึ้นไตรให้มีไตรอะไรอีกแล้วเรียกว่าอัดเหยาะลิแต่ว่าฆ่าศึกย้าไปแล้วปอย่าฆ่าศึกแล้ว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 ไม่สามารถที่บริหารได้เป็นวัดใต้ตามพประสงค์ของเท่ยวภาพของก็เลยไม่มีปัญญาดอกเกินี้ไม่ใช่ขนขวายขนขวายก็แค่นี้ mm hmm. บอกขีดบอกถกเท่านี้เองมานั่งอยู่ที่นี่เท่านั้นตอนเช้ามานั่งพูดพอพูดได้พงไม่เสียงตอนเย็นไม่ค่อยมีเฉียงหูก็หนหัว